กับเจ้าคุณองค์งหนึ่งนะเจ้าคุณธรรมอุดมวัดโพนวัดประเชตุพนสมัยก่อ น, นี่ก็มีธรรมะคู่คล้ายๆกัเป็นการโตวัตถีนะแต่เป็นการโตด้วยธรรมะซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และปฏิพาณแลคราวหนึ่งท่านเจ้าคุณธรรมอุดมก็ก็พูดขึ้นมาว่านะพายธนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดเจ้ะวาย สายบัวจะเน่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้หลวงพ่อโตนี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าขุนเหมือนกันนะให้ให้กล่าวแก้หรือกล่าวตอบท่านก็โตได้ดีมากท่านก็โตว่าก็โซยังไม่แก้นะประแจยังไม่ไขจะไปข้างหน้าได้หรือ ถ้าโซยังไม่แก้ประแจยังไม่ไขนะจะไปข้างหน้าได้หรือเรือนี่มันไม่สามารถจะพายไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดว่ามันยังถูกล่าไม่ได้โซ่ยังมีประแจนะพันธนาการเอาไว้อยู่โซ่หรือว่าประแจนั่นคืออะไรนะก็คือความรู้สึกเก่าๆ ก, การที่ยังหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆเหตุาการณ์นในอดีตที่ มันทำให้รู้สึกแย่รู้สึกหดหูกหรือเกิดอกุศลในใจปีใหม่ทั้งทีใกล้เข้ามาแล้วก็ควรจะปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระจากเหตุการณ์ในอดีตบ้างเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนเรือที่สามารถจะพายต่อไปได้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 คุณภาพเดิมมันก็เป็นชีวิตใหม่ไม่ได้ึ่งถึงแม้เราจะไปเที่ยวสนุกสนานนะได้ของขวัญมากมายจากเพื่อนจากคนรักจากพ่อแม่แต่ถ้าจิตของเรายังเหมือนเดิมยังเก็บอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่เป็นลบเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตใหม่ได้เลย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 ฝึกฝนพัฒนาจิตใจของเราจนมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวสามารถที่จะปลดเปลื้องจิตใจออกไปจากาความรู้สึกเก่าๆหรืออารมณ์ที่หมักหมมได้อย่างที่พูดไปโซ so, มันจะแก้ได้นะปะจัจจัยมันจะไขได้ก็เพราอาศัยสติหรือปัญญานี่แหละสติมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบัน แล้วทำให้เราสามารถจะมองไปข้างหน้าได้ด้วยใจที่สดใหม่หรือว่าเวลามีความเครียดเนีเราก็รู้จักวางอารมณ์นั้นด้วยการทําสมาธิหรือว่าแม้เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนนะแต่ว่าใจเราก็ไม่หม่นหมองเพราะเรามีความสึกตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่ามีอะไรมากระทบใจ ไม่่ามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกล่นกายมันก็ไม่กระเทือนไปถึงใจหรือถึงแม้จะกระทบใจก็รู้จักวางรู้จักนะปล่อยให้มันผ่านเลยไปได้นะถ้าเรามีาเรจรติมีคุณภาพแบบนี้แม้เราจะยังมีความทุกข์ยังมีความเจ็ความป่วยอยู่นะแต่ว่า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 อึดอัดขัดเครืองมากนะเพราะว่าเวลาพูดแนะนำเพื่อร่วมงานเขาก็มีทีท่าไม่ฟังเวลาจะวิจารณ์ก็ถูกโต้แย้งกลับมาเวลาเพื่อนบางคนมาถึงจังหวัดเดียวกับเขาก็ไม่บอกกล่าวเล่าสิท ล่วงหน้ามาบอกเอาตอนเผาขนเหมือนกับว่าไม่อยากจะเจอเขาเพื่นกับอกเป็นพิธีก็รู้สึกไม่พอใจไม่ว่าเจออะไรนี่ก็กระทบใจเขาเป็นหมดโดยเฉพาะกับเพื่อนๆโดยเฉาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนที่คุ้นเคยแล้วก็ทุกนะเป็นเป็นวันๆเลย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 แค้นเคืองหรือความไม่พอใจมันหลุดไปจากใจเลยเขาสึกสบายสามารถจะคุยกับเพื่อนที่เขาเคยขุนเคืองได้ด้วยความรู้สึกที่ปกติไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่ได้โกรธเคืองอะไรเพื่อนก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่าจิตใจสดใหม่กว่าแต่ก่อน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 อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมีคุณภาพใหม่นะเพราะว่ารู้จักปวดรู้จักเปลืองะจะไปรอให้ใครเนี่ปฏิบัติดีกับเราปีใหม่แล้วนี่เธอต้องดีกับฉันนะเธอต้องพูดดีๆกับฉันเธอต้องเอา อ, อกจาจใจฉันมากกว่าเดิมนะอันนี้เป็นความเพ้อฝันมากแต่ถ้าเรารู้จักวางใจให้ถูกกับ การปฏิบัติของผู้คนอันนี้ก็จะช่วยทำให้ใจเราโปร่งเบาแล้วก็เย็นกว่าเดิมอย่างนี้แหละนะที่จะทำให้ปีใหม่มันมีความหมายมันทำให้เป็นชีวิตใหม่แท้จริงบางคนเป็นมะเร็งนะแต่ว่าพอเขารู้จักวางใจให้ถูกนะเขาก็สามารถจะยิ้มได้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 ใจก็สงบใจก็ชื่นบานมะเร็งก็ยังอยู่นะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีชีวิตใหม่หรือบางคนที่การอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุษบนุ่มนี่พิการก็ยังพิการอยู่แต่ว่าความรู้สึกเหมือนคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อได้รู้ว่าใอที่พิการอย่างพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วย แต่ก่อนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติก็หลงคิดว่ารอพิการรอพิการพอปฏิบัติทำเห็นรูปเห็นนามก็รู้แล้วว่าอ๋อที่ทุกข์นะมันเป็นใจมันเป็นกายที่ทุกข์นะที่พิการคือกายที่พิการแต่ใจไม่ได้พิการด้ว ย, ยจริงก็หล่อจากความทุกข์เลยก็ยืนยันแจ่มใสเบิกบานอย่างที่คนธรรมดาก็ไม่สามารถจะทได้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 เราต้องใช้โอกาสนะที่จะสำหรับเวลาที่มีอยู่เพื่อการสร้างจิตให้มีคุณภาพใหม่สติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่มันเป็นกุญแจที่สำคัญมากนะที่จะปล่อยที่จะปลดให้เราไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข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 ไอ้ทีการเปลี่ยนมุมมองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเนี่ยเพียงแค่เราหันมามองสิ่งที่เรามีหรือรู้จักเห็นด้านดีของเราเองหรือของคนรอบตัวบ้างไอ้ความทุกข์มันก็จะหายไปเอาคนทุกวันนี้เนี่ยนะทุกข์ก็เพราะสิ่งที่ยังไม่มีไม่มีรถคันใหม่นะไม่มีตำแหน่งใหม่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 แล้วพอเราย้ายใจเนี่ยจากมือที่มันเย็นเย็นเนี่ยมาที่หน้าอกที่มันอุ่นอุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นอากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปคราวนี้นอกจากนอกจากการที่มองอะไรใหม่ๆแล้วนะก็ควรจะ ลองทำสิ่งใหม่ๆกับปีที่กำลังจะมาถึงบ้างลองพิจารณาดูว่าอนปีที่แล้วนี่มันมีนิสัยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะที่ทำให้เราทุกข์ที่ทำให้เรายแย่หรือกลายเป็นสิ่งที่กดทวงหน่วงเหนียวชีวิตของเราเอาไว้บางคนติด ชอบแฟร์บางคนติดบุหรีนะบางคนชอบนินทาบางคนชอบมากโกรธเราลองตั้งปณิธานหรืออธิษฐานจิตบ้างว่าปีหน้านี่อย่างน้อยเราจะมีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะละหรือเราจะลดอธิษฐานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขอนะแต่หมายถึงความตั้งใจ แน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเข้าใจคําว่าอธิษฐานนี่ไม่ถูกต้องอธิษฐานแบบไทยกับอธิษฐานบาลีนี่มันต่างกันมากอาธิษฐานแบบไทยคือขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีโชคแต่อธิษฐานแบบบาลีหรืออธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความตั้งใจแน่วแน่แนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจัดว่าเป็นบา ร, รมีหนึ่งในสินะที่ทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้า อย่างที่ผู้เจ้าได้อธิษฐานในวันที่ตัดสรุนนะว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้คืออธิษฐานที่สําคัญมากนะเปลี่ยนโลกนะเป็นอิษฐานที่เปลี่ยนโลกคลิกโลกเนยะเพราะว่า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 เพราะว่ามันจะทำให้ถ้าเราทําได้อย่างที่เราตั้งใจจะไม่จัดจิตเรามีพลังในตอนเดียวกันนะนอกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะละในปีหน้าสิ่งดีอเราจะทําในปีหน้าคืออะไรเช่นเราจะนั่งสมาธิก่อนนอนเราจะสวดมนต์ก่อนนอนเราจะเจริญสติหรือว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง ครั้งละเจวันที่วัดป่าสุปตโตรหรือที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีควรจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันพถ้าคือรอว่าจะทำปีละครั้งนี่พอถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ทำก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปหลายคนก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุปตโตปีละครั้ง สุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักทีผ่านไป 3- ามสี่ปีก็ยังไม่ได้ทำเพราะถึงเวลาจะทํา พ, พอถึงเวลาที่กําหนดก็เลื่อนไปอีกมีเหตุให้ต้องเลื่อนบางทีกิเลนก็หาเหตุแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทุกวันอันนี้จะดีในแต่การออกกําลังกายการวิ่งออกกําลังกายทุกวันบัลล่ะสินาที20นาทีก็มีประโยชน์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 เพื่อนที่พาคนติดเหล้าคนนี้ไปก็ชวนเขาวนไหนๆก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มารับศีลกับหลวงพ่อแล้วก็ทําสมาธิด้วยเป็นประจําเขาก็บ่ายเบี่ยงเขาบอกว่าก็ยังกินเหล้าอยู่จะรับศีลไม่ได้หรอกหลงปู่ดูก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็กินของจ่ายไปแต่แกจะนั่งสมาธิให้ฉันได้ไหม วันละห้านาทีพอได้ยินเช่นนี้เขาก็คิดว่าเออทำได้สิแค่วันละห้านาทีก็รับปากหลวงพ่อแล้วเขาก็เป็นคนที่เมื่อรับปากแล้วก็ตั้งใจทำหลังจากวันนั้นเขาก็นั่งสมาธิทุกวันวันละห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้านะก็ทำงี้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งบางวันกำลังนั่งสมาธิอยู่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 ก็เลิกเหล้าได้สุดท้ายเขาก็ในสุดเขาก็บวชถ้าเพียงแค่ทำสมาธิวันละห้นาทีเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จากคนที่ติดเหล้าซึ่งมอีอนาคตเป็นพวกที่เหล้าเมายาก็ทำให้เขาโน้มเข้าสู่ศีลนะ ส, สู่ทธรรมจนกระทั่งบวชพระ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 ลูกน้องเพราะอารมณ์ที่ชุนเฉียวเพราะความเครียดเพราะกรรมงานต่อมาก็เริ่มจะรู้สึกย่างแย่กับชีวิตก็คิดว่าชีวิตวเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปเข้าคอร์สคอร์สนี้ก็ทำให้เอาได้มาเห็นตัวเองคอร์สนี้ก็มีมีมีโครงงานอย่างหนึ่งให้ทุกคนทำจะเลือกทำอะไรก็ได้ทำแค่หนึ่งอย่าง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 ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนิสัยของเขาไอโรนี่ก็หายไปโดยที่ไม่ต้องกินยายเลยเลยแต่ก่อนกินยายเป็นสิ ป, ปีก็ไม่หายแต่พอกินข้าวให้ช้าลงมันก็หายไปเลยตอนหลังก็ใจเย็นมากขึ้นมีสติการกินก็ทำให้ใจเย็นทำงานก็ไม่ใช้อารมณ์มีปัญหาขัดแย้งกับลุงน้องน้อยลง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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความดีหรือการทำสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนี่เราอย่าดูถูกนะถ้าเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอ น, นิสงส์มากเหมือนกับแนน้ำเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากหยดน้ำทีละหยดทีละหยดในป่าต้นน้ำที่คือเรว่องน้ำซับน้ำซับนี่เขเป็นแอ่งน้าเล็กๆที่เกิดขึ้นจากน้ำทีละหยดทีละหยด ที่รากไม้หรือต้นไม้มันมันก็ค่อยปล่อยออกมาจากจากอ่สาสระน้ําเล็กๆหรือว่าแหล่งน้ําเล็กๆมันรวมกันก็กลายเป็นลําพ้วยจากลําห้วยกลายเป็นแม่น้ําจากแม่น้ํากลายเป็นทะเละเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เราตั้งใจว่าจะทําความดีเพียงแค่หนึ่งอย่าง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 ใ้พลังใจที่เกิดขึ้นจากการทำกิจวัดทุกวันทุกวันมันก็ไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตในส่วนอื่นที่เคยปล่อยปะเลือ่อเลยที่เคยปล่อยไปตามกิเลสคนเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าจิตใจอ่อนแอมากรู้ว่าอะไรดีก็จริงแต่ว่าทาไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่คล้อยตามก็เรียกว่าดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้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 นะหรือทำสิ่งที่ต้องใช้การเขี่ยวเข็นต้องใช้วินัยในตัวเองแม้จะค่ห้นาทีส0นาที20นาทีแต่ทำทุกวันทำทุกวันนะจิตมันก็จะมีพลังมากขึ้นแลนะนพลังของจิตนี่แหละนี่ที่สามารถจะทำให้กล้าเอาชนะกิเลสได้อย่างคนที่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 ยิ่งความตายใกล้เข้ามานี่บางทีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตได้นะมันเปลี่ยนจิตใจได้เลยนะอย่างมีนักมือกีตาร์คนหนึ่งระดับโลกเลยนะรุ่นเดียวกับระเภท Mick Jagger หรือว่าพวก v i c t o r ลเนี่ยวิลโกจคสันเนี่ยวันหนึ่งเขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเป็นโรคเดียวกับ Steve Jobs บอกว่าแทนที่เขาจะซึมเศร้านะเขากลับรู้สึก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 มันก็ทำให้เรานะปฏิบัติต่อเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่นิสัยเดิมๆอย่างที่เคยทำแความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะมีเด็กคนหนึ่งโกรธเพื่อนมากเลยโกรธและโกรธอย่างเต็มที่เลยและพ่อเขาก็ดีนะพ่อแทนที่จะบอกว่าลูกอย่ากโกรธนะพ่อก็ถามว่าลูก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 เปีย่ยนเท่านั้นอลองคิดอย่างนี้บ้างอย่าให้ปีใหม่เป็นปีที่มันสร้างความฝันลงล้มแรงๆว่าเราจะมีชีวิตได้แปะเราจะน ส, นสนุกสนานไปได้ตลอดกาลแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเรากาลังเหลือน้อยลงไปทุกทีต้องรีบทาความดีทาสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตแคามันแล้วเสร็จก่อนที่จะไม่มีเวลาเราชาี่ก็พูดกับเท่านี้นะอบคอคับ